ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18มิถุนายน 2,556 มีชื่อเรื่องว่าขโมยผ้าไปค่าช้างเมื่อเนเป็นวันที่18 มิถุนายนพุทธศักราช2556พระ39รูปลราในวัดของเอานะลงมาชัน35งดชัน4นาก4ว่นน้จะได้บวชนากบวชนักพระหนึ่งหนักเน่นหนึ่งเหมือนพอชันจังหันเช็ดแล้วก็พระอุปราชผู้ก่อนก็คงจะลงมาก มานางอุปชาแล้วก็คงจะมีการบวชประมาณสักสามสิบนาทีก็นาาจะแล้วใส่เวลาบนนานบวชสององค์เมือว่านหลองพ่อขบวยยนะูเนี่ยชั้นทางนอกชั้นดูดอุดรเมืออื่นก็นจะบรยยูอีกเนี่ยเบื่อเฮ้อบื่อเฮ้อชั้นทางหันแล้วก็จะเฝ้ า, เอาออกอีก จัแกแม่นยังต้แม่นยังช่วงเนี่ยแต่ไม่จริงหลวงพ่อเท่าแกรวนาจะได้พักพรอนเท่าถ้าได้แห้งเขาแห้งใส่แห้งขลังไปนาชื่อกันกับปะพุทธรูปอายุหลายปีเองซันนะกันปะพุทธรูปสางไม่เนี่กบค่อยขังพอด้กันปอายุเป็นแตงแต่อูท่องบอก อ, อกงคงเสียยุทธยา เป็นพระขเขมรมาตังแต่ดึกดำบรรพอยายุยืนเทใดอายุยาวเทใดแห้งขังพระพุทธรูปอะไรใือกันพระอายุแกเทใดเขาแห้งใสจนหาเวลาบักพรบอะไรกานบอกไปเคาจักจังไดคนหูจักกันไปมาหาหสู่กัน พอ่า น, นยังไปได้ได้บ้ากองก็หน่อยของข็ผมเป็นยังไปบไ่ได้ลากไปไทยมากยะงไงคนทีท่ชุดก็อเออไปเข้าไปสรุปเราก็ไปกับเป็นที่พ่อใจเป็นที่สบายใจม่ น, มมนคู่บายจานมาในงานที่งานที่เป็นที่หูจับ เมื่อเนี่เป็นวันบวชนาคบวชนาคขึ้นกันพอแม่พี่น้องปู่ญาตายายญาติมิตรสหายที่หูจักมักคุนโดยเฉพาะย่างยิงพ่อแม่นั่นแหละจะได้บวชลูกไว้ในพระพุทธศาสนากะดีอกดีใจตั้งแต่ลูกเกิดมาที่แรกก็เป็นลูกชายเกิดมาเนี่จะได้บวชให้พ่อให้แม่ ก็คืดไปจังสัน่นโดยมากพุทธศาสนิกะชนพอใหญ่ขีดมาก็ได้เลียนหนังสือเป็นไปได้พอพิคงพิการเมื่อจบจากการเลียนได้เข่าทำการงานแตกดบวดพอให้แม่ะกอนต่อไปก็จะได้แต่งการแต่งงานทำการทางานทำมาหาเลี่ยงชีพต่อไป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 หรืเป็นธงพระอริยะคือเป็นธงธงประดับของพระพุทธศาสนาให้ได้เห็นว่าลูกของเห้าได้บวชได้คล้องผ่ากาสาวพัดเป็นผ่าที่พระพุทธเจ้าพระหารผู้มดจดจากกิเลสคองสีนี่ยสีเหลืองผ่าสีเหลืองเป็นผ่ากาสาวพัด เป็นผ่าที่เคารพทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงสัตว์ทิรารฉานเขาให้ความเคารพในผ่ากาสวัสดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัตให้พวกพุทธบริษัทได้ศึกษาได้ฟังขนาดเป็นสัตว์ทิราชฉ า, น, านเป็นชาน่นชาง ก็ญยังเขา่ารกผ่ากาสาวพัดแต่ดวงตามหาบัวเพิ่นกระบอกว่าเพิ่นกระบอกคือกันขันนาว่าพวกสัดขึ้นกันแต่ว่าเห็นปลาเห็นผ่ากาสาวพัดผ่าเขาไม่ได้บาดพวกเก่งพวกกวางพวกสัตว์ทั้งหลายเขาก็เบึงเขาก็บอกกลัวขันว่าเห็นเสือดําเห็น แง่หยา ด, ยดโน้มไปขนาดนั้นแล้หัวสุกหัวสุนฮะคล้ายๆกับว่าเบิ้งแล้วมันเป็นพิดเป็นไพ่สําหรับเขาถ้าเห็นผ่ากาสวาวพัผ่านไปนะบุกเคยเห็นอย่างเขาบุกเคยที่จะเบียดเบียนเขาบุกเคยข่าเขาเขามองดูแล้วเขาก็สบายใจในสัตว์ธิรชานแต่ขนาดชัดธิรชานเขายังรู้ว่าผ่าเนี่ยเป็นผ่าท่งใช่ของพระหัน ผากาสาวพัเพราะนั่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายถือว่าได้บวชในพระพุทธศาสนาคือพื้ส่งผากาสาวพัดคือผาของพระอริยะผู้มดยดจากกิเลสผานี่แต่ว่าผู้ส่งผู้สงเท่านั้นบัดที่มดยดจากกิเลสตามผาบอ่ะบางโคต็ใส่ผากาสาวพัดเฮ็ดไปในท่างซัว ถ้ำไปในท่างสัวคิดไปในท่างสัวเอาผ่ากาสาวพัดผ่ากาสาวพัดหุ่มเจ้าของเหลือเฮ็ดไปในท่างธีปถุก ถ, ปถกต้องตามถ้ำคําสอนเฮ็ดปถุถกต้องตามถ้ำวินัยเฮ็ดปุถกต้องตามระยะประเพณีที่พ่อแม่กู้บายาจานหรือว่า ระอริยะสงสาบอกเพิินภาพปฏิบัติมากอันนี้มันก็คยมีคือกันพระพุทธเจ้าพันวาพน ว, าพนวาผูถิผ่าข้องผ่ากาสาวพัดเห็ดคว่มสัวคือแอบอ้างเอาผ่ากาสาวพัดมาคุ่มเจ้าของก็เห็ดคว่มชัวก็เคยมีมาแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ว่าเอาผาคุ้มจ้กของหเห็ดความส่วนที่พระพุทธเจ้าจะส่งปาลบถึงพระพุทธเจ้าพนว่าสมัยหนึ่งมีสร้างสัตท่านอยู่ในป่าหิมพานมีบริวารมากไม่ แต่ ว, ว่าสร้างตัวนี้นั่นมีบริวารหลายไปหากินเนี่ยกรนับมูบางทีกับยางกรมูไปก็ไ ป, ปไปเห็นพระประเจดก็พอไปเห็นพระประเจดแล้วก็สร้างทั้งหลายก็นั่งคุกเขากา่ากราบสักวันหัวหน้าผ้ากราบลุกน่องก็กราบพระประเจดแล้วก็หากินต่อไปอันนั้นคือเข้ารลบ ภากาสารพัดบายฮนีนม่มี่ไน่ผานผู้นึงมาเ น, นี่ยในกลุล่มพระราษฎสีออกไปหาล่าสัตว์ในปา่ามันกัเขาใกล้สร้างบ่ใดพ่อได้ยิ่นเสียงสร้างกระแตกเฮ่อหลุดมันถึอกินคนสร้างเป็นสร้างแสนรูอีกต่างหากสร้างอยู่เป็นกลุ่มอีกต่างหากเขาใกล้เขบ่ใดขั้นเขาจริงยางเขาไปใกล้ทิศตัวมันจะขาว มันจะลุมขาเอาเนี่ยมันสร้างมันฉลาดนทีนี้ที่เขาไปไก่เฮ็ดยังไงหาอุบายใันะ่ไหมหาอุบายสิขาสร้างบัดแล้วก็ไปเห็นสร้างเขาลบพระประเจกเพราเห็นตอนนั้นก็เขาลบพระประเจกบาเนี่ยพระประเจกเป็นไปไปส่งน้ำเพราะไปส่งน้ำนายพ่าน่ไปขโมยผ่าพระประเจกานี้ เบิงบ่งเบิ่งก็เป็นปตบ่าแต่แตร่เที่ยงวะผาสมัยนัยพาพาพ่งเขาบมกผาผาปัญหายากโป่แห้งแล้วยังไปขโมยผาพื้นอีกมน้งอยากได้ผาเหลืองพ่อไปขโมยผาพ้าประเจกมั่นแล้วปไต่มาอะไรก็ทถำตาวห่มขึ้นไปคือเป็นพระประเจกใช่แล้วสร้างมันก็โม่งจักแล้วเม็นบัะเออมันเห็นมันก็เห็นผาคุ้มคุ้มมันก็กาบพอกาบแ ล, ล้วก็ไปกาบแ ล, ล้วก็ไป เออขั้นตัวไดมาซาซาลาลาลาหลังมันบางที่เป็นสร้างตัวมีง่าอตัวมีง่ามากกันนั่นแหละโอตานูที่อาบตัวยยาพิษเนยิ่งหลดแล้วเนี่งเติบโวดไปไปที่มันมากกาั่บเขาไปซามก็ถือยาพิษก็เลยละละละละละละละไปตายตายแล้วก็ตัดง่ามเก็บง่าไป ลำเลี่ยงกลับเมื่อขายาวันเราก็ไปนั่งอยู่มองเอื้นอนเอกสร้างห้าหนามันกระกาตัวน้องกระกาขันโมได้ว่บบเป็นสร้างง่ากระเบาเบื่เสียแต่มันบมมีสร้างง่าแตกๆเออเอาพ่อจะเอาจาแหล่เหนือมันแล้วก็เอาไปให้ลูกน้องกลับมาขายเอาเหนือมันขายเอาเหนือจ้าง บาท่นนี้สร้างทั้งหลายแล่นะีมันก็คอยลอยลอไปเรื่อยๆเลยมันว่ามันจะไปทางเก่าได้สร้างข้าวหนึ่งไปจะไปทางหนึ่งทางหนึ่งก็จะไปทางหนึ่งมันปุกปากว้างว่าเนี่ยหัวหนาใหญ่มันเอ๊ะเป็นอย่างบริวานก็นยังมัดไปมดไปทั้งซีมันเป็นหนาหมดที่เห็นเห็นมากแต่เพีนแต่ว่าเพ่อพระเจกนั่นแล้วนางอยู่หัน อสร้างตนนันในตั้งความสังเกตเท่านั้นความตั้งตั้งความสงสัยนั่นแหละคือปัญญาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างให้ตั้งความสงสัยเอาไว้แต่อย่าไปสงสัยเปิ้นว่าอย่าไปสงสัยคันไปนสงสัยแล้วมันทุกให้ตั้งความสงสัยเอาไว้ว่าไพ่เนี่ยมันจะเกิดมาด้วยเหตุอันใดมันเป็นอย่างสี่นะนี่เป็นหัวหนาตกเป็นอย่งสัน พอตั้งความสงสัยเอสงสัยจะเม็นไนพ่านผมเรือว่าพระประเจกโฮมผาเหลืองเป็นพระประเจกแท้บอสั่นเลยสร้างว่าสร้างว้ า, าก็เป็นาพระประเจกแท้ก็พอเป็นอย่างอันนี้เม็นพระประเจกแท้บอสั่นเลยเนี่ยนะตั้งความสงสัยไอะไรได้บ้างพ่อต่อมาเนี่ยก็สร้างในอินเทนี้ก็อย่าง ลาลาๆๆๆละลั่งลาลาละลั่งน้าโกนมู่ะไลูกน้อง ก, กับพานไปมดแล้วเนี่ยตัวเองก็กินยาขวากี ข, ข, าข้ากีมากก็เห็นว่าพอปเจ ก, กอยู่มองนั้นแหละเนี่ยพอเห็นก่อนแล้วอะไรก็รยางมากเฮ็ดบังสังเกตตัวน่ไปพอสังเกตเห็นเท่านั้นแหละเห็นจังหวะที่จะยิ่งได้เอาธะนุมากกั ยิ่งเลยแล้วไปออพอยิ่งเสร็จแล้วก็สร้างที่นี่ก็ถูกลูกทนูได้แต่แรดมาตะขบเลยตะคบเห็นผาพระประเจกโอ้แคนคนธรรมดาสี่ก็เทิบให้มันแล้วเลยแล้วอันนี้มันผพาพทงชัยพระละหันบกกา่าล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าประรับประสง์ละลึกถึงคุณง่ามความดี ผูกข้องผาจึงสีเป็นผูมดยศจากกิเลสแล้วนะแต่อันนี้ยน่ายผ่านมันเต็มด้วยกิเลสข้องผาอเ น, นี่มากเพื่อจะขาผู้อื่นแต่ขนาดนั่นสร้างยังบอกากล่าวขาได้เพเหตุไรเพราะระลึกถึงพระประเจกถึงจะขาพระเจ้าจะยอมตายขาพระเจ้าก็จะตายเพราะว่าขาพระเจ้าร ะ, ะลึกถึงพระอรหันต์พระประเจกดุจเจา้า นี่แหะอันนี้ก็คือเพิ่นกัยกเป็นนิทานหรือชาดกขึ้นมาให้สาธกให้พวกเฮ้าทั้งหลายโมเมนที่ทําตัวเป็นขราชการใส่ชุดเขามา้าเลยเฮ็ดความสัวถ้าต่อนาเ น, นเฮ็ดแบบหนึ่งต่อแหลแบบนึงนนบบน่งลับหลังมาเฮ็ดแบบหนึง่งอันนี้แปลว่าบบซือสัตต์ต่อนาทีของเจ้าของอันนี้ก็เป็นพระขึ้นกัน แข่งผ่ากาสาวพัดจังสี่แต่ว่าเหตุความซัวบ่อยอยู่ในสิทธิในถ ร, รมบ่อยยู่ในหลักถ้ำฟี่ในอันนี้ก็เป็นสมณะซัวคือกันเป็นเช่าบ้านเช่าเมืองขึ้นกันเป็นพลเมืองดีว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ว่าบัตนาเหตุ เ, เหตุความซัวอันนี้ก็คือเป็นคนซัวคือกันพรานั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งยังบอกว่า ผ่ากาสาวัสดิ์เป็นผ่าของพระอริยะเจ้าผู้ใดเขามากข้องก็ให้ช่งตัวเป็นคนดีเครื่องแบบของขารัชการก็เหมือนกันเป็นเครื่องแบบขึ้นมากกับเป็นคนดีเป็นคนทำการทำ้านให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแต่พัวเข้าข้องเข้าไปแลว้วบัดนี้ใส่เครื่องแบบไปในทางทีโบดีอันหันแปลว่าเจ็บพาย ยิบผาในตัวเองเป็นข้นชัวเพราะปันในผ่านข้องผากาสวัสดิ์ของพระปเจกขโมยผาพระปเจกมาใช่แล้วก็ถำความซัวเอ่อในการเป็นอยู่เพรตายจากชาตินั่น ล, ลงไปสู่อเวจีมหานรกนะความซวนเป็นวันความซัวอย่าท้ำจะเลืยดีกว่าพอะความซัวเมื่อถ้ำแล้วจะทำให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลัง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 ให้ถึงพระนิพพานเป็นปรโยชน์สเป็นอันทุดทายคือความมุ่งหวังของเห่าที่มาบวชก็คือความบริสุทธิ์ลุดผลจากอาสวะกิเลสที่มาบ้องมาเวียนวายขอไหม่มาเวียนวายตายเกิดอีกตามรักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพวกเห่ายังมาเวียนวายตายเกิดจูเนี่แหละเห่าจะต้องได้พบได้เจอสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ในขา่าวคูหมือภูเว้นอย่างที่พวกเขาได้เห็นนะี่ยบุญนาจะเกิดมันปรากฏเกิดเพราะมัน่าบุจะมีมันก็มีพรเหตุใดเพราะว่าเขายุนในโลกเนะ่ยนันเป็นหนงสี่ละตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนี้แต่กักขั่งพุทธการท่าเข้าฟังเมืองใช่ยย่อยเมื่อใดในพระไตรปิดกคนขาพอ่อขาแม่ก็มีขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอาชาติศัตรู ผาพระเจ้าพิมพ์พิสารพญาปเสนลูกชายก็ยึดราชบัลลังอันหนึ่งเนี่ยดูในพระไตรปิฎกในยุกนั้นเท่านั้นนะทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นบวรมครู้สอนศิลธรรมจริยธรรมคนทั้งหลายเป็นพระโสดาพระสกทาข่าพระอาณาข้าพระหานถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะเป็นที่พึ่ง บอมนหน่อยแต่คนสัวก็ยังมีอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ว่ายุคใดสมัยใดบอมีขั้งบอมีพ่อประเจกบอมีพรอพุทธเจ้าบอมีพ่อแม่คู่บาอาจารย์แนะนําสั่งสอนศีลธรรมเจริยาธรรมแล้วมันจะขนาดไหนโลกนี่นาคิดขึ้นกันเพราะนั้นพ่อพุทธเจ้าบนวายามากเกิดดีที่สุดพยายามท่ำคิดใจของตองเต็มตนเองให้พ้นทุกข์ ในัาตะรสงสารนั่นละเลิดประเสริฐถ้าว่าเฮาจะเมาเวียนวายตายเกิดบอกว่ายุคนั้นสมัยนี้หรือว่ายุคต่อไปไพ่ภาคนาก็จะต้องได้พบได้เจอได้เห็นกับจกของนั่นนะเป็นอันดับแปลกนัพวกเข้าหปประกอบคุณงามความดีจะตั้งยู่ใวความประมาทเนอร์สรุปแล้วนะอรับพรอ น, นุโมทนาหายพร